คำที่ว่าศาสนานั่นเป็นกิริยาหรือเป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากทมแท้เมื่อแยกออกมาเป็นคำพูดเป็นอาการคือเป็นคำสอนไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวิ น, นัยหรือพระปรมัติ์เป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้น คำว่าศาสนาคือคำต่งสอนถ้ า, ามีเพียงเท่านี้ก็ไม่ซึ้งแต่คำต่งสอนนี้ออกมาจากทำแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงครองอยู่ภายในทระไทยนั่นแหละคือทำแท้ดังที่เทศเมื่อคืนนี้แล้วลท่านนำอาการ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 แต่เมื่อได้ปฏิบัติเข้าไปโดยลําดับจนปรากฏผลขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเป็นชั้นๆนั่นแหลจึงจะค่ปรากฏผลที่ปฏิบัติจากตามาศาสนธรรมภายในจิตใจของตปิดศาสนธรรมฝ่ายเหตุก็เปรียบเหมือนเครื่องมือธรรมาน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 เต็มไปหมดภายในดวงใจบรรจุสัญญาอารมณ์ต่างๆไว้เต็มไปหมดจนมองหาดวงใจแท้ไม่ปรากฏมีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นคิดออกมาในแง่นใดก็ตามมีตั้งแต่เรื่องจอมปลอมเมื่อเราได้พิสูจน์ตามหลักจิตตภาวนาแล้วเราจะได้ทราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่แสดงออกมาจากใจโดยลาดับลำดับๆๆ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 คิดเท่าไรก็สั่งสมผลเข้าไปในที่นั้นอีกมันจะหมดจะสิ้นไปได้อย่างไงเพราะความคิดนี้เป็นความผิดสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นให้เพิ่มตัวขึ้นมาภายในใจิตใจหมุนเยนกันไปหมุนเย็นกันมาอยู่เช่นนี้จึงไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ถ้าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามความคิดความนึกธรรมนาข้องมันแล้วจะมีแต่ความหมุนเยนไปเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมากแล้ว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 เป็นความร้อนอยู่ในหลักธรรมชาติของตนเพราะสิ่งที่ทําให้ร้อนมันมีอยู่ภายในจิตท่านจึงสอนให้ชําระท่านถึงสอนให้ระงรับท่านถึงสอนให้พิจนาหรือคข้ครวนกระแสะของจิตที่คิดออกออกมาแต่และสิ่งหนึ่งอย่างว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะได้การกรองความคิดความเห็นนั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันเป็นทางตํำรบับต า, ามสิ่งเหล่า น, นี้ให้หมดสิ้นลงไปโดยลําดับ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 กิจกรมจัดสิ่งไม่ดีออกจา ก, กจิตใจเราพอทําได้แม้แต่เราเขียนหนังสือหรือทางานอะไรอยู่ความคิดที่เคยคิดเคยปรุงทำไมจึงคิดได้ปรุงได้แล้วความคิดที่เป็นอัตเป็นทำทาไมจะคิดไม่ได้คิดได้ด้วยกันในข้อนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดชัโดยไม่มีความสงสัยอะไรเลยนั้น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 ในทางนี้ท่นี้สติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคุกครานจนเกิดความอิจนาละอาใจก็มีในบางครั้งแม้จะไม่มากก็พอจับความรู้สึกของตนได้แม้ว่าท่านผู้ใดแม้แต่ท่านผู้สำเร็จชินเสร็จไปนังพระพุทธเจ้าลูกษาพระสาวกท่านเมื่อกิเลสยังมีอยู่ภาณในจิตใจแล้วย่อมจะมีทางคิดอิหนาหละอาใจในบางครั้งได้เช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่แหละ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 ทะเโมโหโทโศกโกรธแค้นในเขาวันยังคานั่นแหละคือเราเป็นเราทั้งคนวันนั้นเราเป็นเราทั้งคนเราไม่ทราบว่าเป็นกิเลสทั้งตัวเนี่ยต่อเมื่อเราได้มารับการอบรมด้วยสติให้ทราบว่าสิ่ง น, นั้นชั่วสิ่งนี้ดีไปโดยลําดับแล้วพอเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาหรือหงุดหงิดขึ้นมาโกรธขึ้นมาใน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 นี่เราผิดไปแล้วพยายามแก้ไขไม่ได้ในขณะนั้นก็ได้ในวาระต่อไปจนได้นี่แม้จะยังไม่ได้ในขณะนั้นหรือวาระต่อไปยังไม่ได้นานไปกว่านั้นจนกระทั่งมันระงับลงไปด้วยการพยายามหลายครั้งแล้วผลแม้เช่นนั้นเราก็ยังได้เห็นโทษของตัวไม่น่าเลยไปโกรธเขาทำํำไมไปเครียดให้เขาทําไมเรื่องเช่งนั้นคนเข็นนั้น เราพยายามหาความดีความโกรธไม่ใช่เป็นของดีเขาโกรธให้เราโมโหโท่โสให้เราเรายังไม่พอใจเห็ุได้เราจึงแสดงความไม่พอใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใครไม่ปรารถนาเลยต่อเขาได้เล่านี่แสดงว่าเราก็ผลักมากมายรู้สึกเสียใจตนเองนักนี่คือผู้อบรมธรรมะเป็นอย่างนี้เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษจริงเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณไม่ได้เห็นคุณในสิ่งที่เป็นโทษ เหมือนนคงว่าที่ว่กโกรธเขาแล้วว่าตัวเป็นคนเต็มคนแนี้พอได้อบรมไปอบรมไปนานๆสติสตังค่อยดีปัญญาค่อยรวดเร็วขึ้นโดยลำดับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยจะมากระทบคือไม่ค่อยจะเกิดความกระทบภายในจิตใจของตนแม้สิ่งภายนอกจะเข้ามาสัมผัสหรือเขาพูดกระแทกแดกตันอะไรก็ตามเราจะพอมีสติยับยั้ง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 รอบด้านเนี่ท่านเรียกว่าท่านรบกับข้าศึกทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อมีกําลังสามารถโดยอัตโนมัติแล้วดูที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นทอดถอนกิเลสหรือฆ่าฟันหั่นแหลกกิเลสแหลกไปหมดไม่ว่าจะนั่ง จ, จะเดินจะเดินจะนอนมีแต่ท่าฆ่ากิเลสห้หลุดลอยปจากษใจเรื่อยๆแล้วกิเลส มันจะมีมาจากไหนเมื่อมีแต่การทำลายไม่มีการส่งเสริมก็หมดไปหมดไปผลทุดท้ายก็เป็นใจอิสระเป็นตัวคำว่าอิสระนี้ได้แก่ความมาอยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมติในโลกทั้งสามนี้เป็นอิสระโดยหลักธรรมชาติของตนคือเป็นจิตวล้วน ไม่มีอะไรเข้าแทรจริงเลยนี่ผลที่เกิดขึ้นมาจากการตะเกียกตะกายลวมลุก ค, คลุครานมาตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดนี้วนแี้แต่เกิดจากการอบรมทั้งนั้นทุกก็อยอมรับสุขก็อยอมรับเราเดินทางจะให้สม่ำเสมอไปโดยไถ่เดียวไม่ได้แม้แต่ทางลาดยางก็ยังสูงสัมผัสมตามเนินตามที่หลุมทีดอน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 กิเลสพาลงเหวลงบ่อตามขุดตามค้นตามฟาดฟันหันแหลกอ้าวกิเลสลงไหนตามฟันกิเลสน่ะเพราะเหตุไรเพราะกิเลสเป็นของลุ่มลุ่มดอนดอนที่ว่าสูงสูงต่ำๆ่ลุ่มลุมดอนดแต่มันอยู่บนหัวใจขดเมื่อสติปัญญาผิดขึ้นมาพอแก่การแก้ไขหรือพอแก่การติดตามปราบรามกันได้แล้ว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 อุบาสกอุบาสิกาจะได้แก่ใครอุบาสกอุบาสิกาครั้งนั้นกับครั้งนี้เป็นคนเหมือนกันรับพระอวาาคําสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าคือาศาสนธรรมของพระองค์เช่นเดียวกันนํามาแก้ไขดัดแปลงหรือปราบตามกิเลสซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับขั้งพุตธการที่มีอยู่แต่ั้งโน้นให้หมดสิ้นไปจากใจกิเลสข้างโน้นกับั้างนี้กลัวทําด้วยกัน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 ปล่อยให้มันกล่อมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนกล่อมเรื่อยเรื่อผลที่มันป้อนออกมาให้เราก็มีแต่ความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจบน่นพอเป็นทางระบายออกถึงทุกข์ความจริงความบ่นไม่ใช่ทางระบายทุกข์นี่ถ้าว่าการบน่นว่าทุกข์เป็นการระบายทุกข์ใครทั้งโลกบ่นได้เดีวยวกันพ่อปากมีนี่พูดได้เรื่องอื่นบ่นให้ทุกข์ทำไมจะบ่นไม่ได้ถ้ามันพิเลศมันกลัวด้วยการบน่น มันคิปหายไปหมดแล้วแต่ีิเรศไม่ไดหลุดรอยแต่เพราะความบน่นนอกจากการปฏิบัติกาจัดมันด้วยกำลังฝีมือของเรานี้เท่านั้นพิเรศถึงจะตัวกาจัดลงที่ตรงนี้สุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจสุขใจสุขสวัสดีไม่ว่าปีใหม่ปีเกา่า ถูกในโลกสวัสดีปีใหม่พอปีเก่ามาแล้วทุกทั้งๆในปีใหม่ก็ทุกหักตั้งความหวังไว้ปีใหม่จะมีความถุกอย่างนู้นอย่างนี้คาดกันไปยุ่งเมือนหมดถึงบานปีใหม่แล้วโอ้ส่งส่อกระสอยยุ่งหมดสอก็สอเขมีตัวหนังสือะอตัวใจไม่ส่อก็ะทอยไม่ส่อกระทส่งความทุกนี่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 แต่เราแยกอันนั้นมาเพื่อสอนเราคือโอปันดิโกเราไม่ทาหนิติเตียนโลกเขาที่ทํามาเป็นประเพณีนิยมจิตใจมีความรื่นเริงมันเทิมไปในแง่ใดซึ่งไม่ผิดจักคุหมายบ้านเมืองก็เป็นความดีโลกมีอย่างนั้นไม่ว่าโลกไหนๆต้องมีความรื่นเริงมันเทิงมีความหวังนุ่ยกันแต่ถ้าจะพิจนาหรือคิดไปในแง่เดียวเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ย้อนหน้าย้อนหลัง มีการอธิบายถึงเรื่องสอพระศรนั้นย้อนเข้ามาในเราก็เพื่อจะเห็นสอพระศรภายในสอพระศรภายนอกนสอพระสรภายในก็ได้แจกสงความสุขให้เดือดใจด้วยการประพฤติปฏิบัติกรรมจากสิ่งที่มัวหมองหรือรบกวนจิตใจนั้นให้ห่างไปโดยลำหนักมีความสุขแทรกขึ้นมาได้เดิมหนักจนความสุขเกิดขึ้นภายในใจิตใจเป็นสอพระศ ข, ขึ้นภายในใจิตใจ อยู่ที่ไหนก็สบายปีใหม่ปีเก่าสบายเดือนใหม่เดือนเก่าสบายทั้งนั้นเพราะทุกหมดไปจากใจแล้วจะไม่สบายอย่างไรคนเราที่เป็นทุกข์ก็เพราะทุกข์มันมีเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในใจหมดทุกหมดไปสุขก็เป็นเจ้าเรือนอยู่นะเท่านั้นเอง น, นี่เป็นจุดสําคัญการแสดงธรรมก็เห็นมาสงวรวันนี้เอาละยอดนะครับ